เราเกี่ยวข้องกันมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกามีศาสนาภิกษุพระสงฆ์ก็คือบอกทางสวรรค์นิพพานหาญาติยาโยมญาติโยมอุบาสกบาจิกาก็เป็นผู้ไม่ปิดประตูคือฟ<ภ>ังดูยังหัวังดูถ้าบอกสวรรค์ คืออะไรบอกได้ฟังเคยลายเขาแย่งหูฟังแปลว่าเป็นผู้ไม่ปิดประตูเปิดประตูเอาไว้เหมือนเรามารับน้ําแก้วของเราเหมือนใจเราถ้าใจของเรามันเต็มอยู่ด้วยทิฏฐิมานะด้วยความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ข้างคาจิตใจมันก็นรับ ของใหม่มาได้ต้องทำจิตใจให้ว่างเคเลือก เ, เปิดประตูวางดูแล้วทำในใจดูบ้างการบอกสวรรค์เมื น, มนิพานไม่ใช่เรื่องของจำเมาให้เป็นเรื่องของการสัมผัสเอาไปชิมดูไปต่อดูไปจุ่มดูเห็นบนคือใจอดี มันเป็นยังไงใจดีทําให้มันมีขึ้นในเรารู้ว่าบนใครใจดีอิ่มใจเต็มใจก็ทำเป็นการทําไม่ใช่ให้จําเอาไปรมที่ใจของเราใจดีไม่ใช่ดีใจดีใจนี่อาจจะไม่ถูกต้องบางทีจะด่าเขาก็ดีใจได้เปรียบเขาก็ดีใจ อันนั้นไม่ถูกต้องเสมาไปใจดีอิ่มใจสุขใจเต็มใจทำความดีมันอิ่มใจสุขใจเต็มใจเพราะการกระทเของเราแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจใจเป็นอาหารเรียมโนสัญเจตนาาหารอาหารที่กินไปทางใจ อ้จินอาหารที่เป็นธรรมอาหารคือธรรมะธรรมะคือความอิ่มใจเต็มใจสุขใจเย็นใ จ, ใ จ, นใจอาหารทางกายกะเหล็กกะลาอาหารกะอาหารเกินไปนลําคอไปสร้างเนื้อสร้างหนังสรชีวิตธรรมอาหารอาหารไปทางใจไปสร้างบุญสร้างกุศลสวรรค์นิพพาน เรคคนเราเป็นสองส่วนส่วนกายส่วนจิตใจส่วนกายก็ต้องบำรงุงจปนข้าวเปนปลาเนอาหารเออเลือดใจเนื้อส่วนใจก็บำรุงคือธรรมะหอวนให้ใจมีกาลังมังชาที่จำละว่าผู้ชนมีฉินมีธรรม มีสมาธิมีปัญญารอกรู้มีศรัทธาไม่ความเพียรไม่เมตตากรุณาง่ายๆ่ายงแต่มีแต่ความอิจฉาเบียดเบียนกันเพิ่มต่อยอดในชีวิตเราไม่คนค่าทางกายทางใจด้วยอาหารใจเพื่อนได้ทุกโอกาสไม่ดูอีกมเป็นบุญเนี่ยไม่ดูอยากอิม่มให้เหมือนอาหารทางกาย อาหาร่างการนี้ไม่แน่ไม่นอนบางทีก็อิม่มบางทีก็เป็นโรคเป็นภัยกินม่ได้ทึ่งเข้าวทั้งน้ำก็มีลมหายใจไปอาหารใจไม่มีก็บว่าอิม่มหมือนทเลมหาสมุดรไม่อิ่มด้วยน้ําฉนันใดมวณฑิตผู้ที่มีศีลมีธรรมไมอิ่มด้วยศีลด้วยธรรมฉะนั้นเราก็ต้องอย่าจนตรงนี้ บุค ข, ข, ขนต้นเองมีสติมีสัมชัญญะถ้าเป็นอาหารที่เป็นชื่อของอาหารโดยเพราะภาคปฏิบัติธรรมนี้หรือว่าคบปองจรมีทั้งศีลอยู่ที่นี่มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันในการทำบุญละบาปไปพร้อมๆกันเพราะรู้สึกตัวเนี่ย ผมรู้สึกตัวก็ทําความดีแล้วสากายวาจาใจอยู่รอบความทั่วอยู่ทำความดอยู่จิตก็บริสุทธิ์ไปก็เป็นบุญไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็มีศีลมีสมาธิเกิดขึ้นมีปัญญารอบลูกเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความหลงกป็นควไม่หลงเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เพื่อปัญญา อ, อกจากทุกเป็นรอบรูปกองสังขารควไม่เที่ยงเป็นยังไงก็เป็นทุกเป็นยังไงควไม่ใช่ตัวตนเป็นยังไงกําหนดรูปหรือาการรูปกําหนดรูปหรืยาการละกําหนดรูปหรือาการบันเทาอย่างไรเกี่ยวกับสังขารตายยะสังขารสังขารคือกองรูปในธาตุสี่ขันธ์ห้า 5. อันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยง มันก็ตกอยู่นในความเป็นทุ ก, กข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนเป็นความฉลาดตรงนี้ให้ได้เรียกว่าปัญญาอั ญ, ญาพุทธะเกิดจากครอบผู้กองสังขารคือกายใจของเรานี้ยกายสังขารจิตตสังขารการปรุงแต่ง ทังก า, สงา ی, งกรสังขารก็ดีทั้งจิตตสังขารก็ดีตกอยู่ในความไม่เที่ยงทั้งนั้นอะไรเกิดจากผลงานของสังขารหรือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นความโกรธความโลภความหลงความวิตกความโมวยเศร้หมองเ ป, ปิดผลของสังขารอย่าไปให้นร่วมกับเขาเหมือนจะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยจะเปลี่ยนสังขารให้เป็นวิสังขาร แต่มนปรุงก็ไม่ต้องปรงวางไว้ก่อนอย่าไปจ้าคิดลังเก่าจนเป็นทุกข์วางให้เป็นเย็นให้ได้เราต้องปรกคัดตนให้พอสมควรสังขารนี่มันนายช่างปั้นหมอ้อนายช่างปั้นหมอ้อก็มีอาชีพปั้นหมอ้อหม้อดินแต่ปั้นกี่ลูกกี่ลูกก็แตกตอนนั้นชื่อว่าหมอ้อ ไม่มีกิริยาร่างเยินสังขารที่เกิดกับจิตใจระวันปรุงมันแตกนั่นแตกทั้งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็หลงไปเสียเวลากระมันไปไปโกรธไปลูกไปศกไปทุกไปรักไปชังมันไม่ใช่ของจริงอะไรต้องเห็นต้องรู้ื่าวันปรุงก็ไม่ปรุงหยุดซะแต่ว่าเกลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารได้ เราก็ฉลาดตรงนี้ว่าเพราะกายใจของเราเนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาแต่มาเราฉลาดเกิดเป็นเป็ดกุศนเป็นมรรคผลใพผานได้ถ้าเราไม่ศึกษาหลงโอตรงนี้ไปอบายภรมชั้นต่ำเปเป็นสัตว์นโลกเป็นไอ้ฉันเป็นได้สุรกายได้โดยเพราะจิตใจนี้มันมักจะไหลไปทางต่ําตามไหลไปทางต่ำไม่ที่จะหลงไม่ที่จะโกรธไม่ที่จะทุกข์มันก็ ไปสู่ภูมิวัฒนธ่รมเป็นคนเป็นปนเปไปคุ้มร้อยคุ้มดีเอาจะยกฐานะของเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์ใจสูงเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนังโยงมีดีที่แววขนถ้าจะต่ําเป็นได้จะเพียงคนมันเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนหมายถึงคุณธรรมเป็นพระก็คือคุณธรรมเป็นเทวดาคือคุณธรรมเป็นพระอินทร์พระพรหมคือคุณธรรม ให้มีขึ้นในชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องสร้างขึ้นมาถ้าเป็นเทวดาก็มีความละอาย ใ, ใจไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำชั่วคนอื่นมาเห็นเราก็เห็นนี่ไม่กล้าคิดไม่ก้าทำไม่กล้าพูดตัวเทวดาแล้วเมื่อเทวดาอยู่ในใจของเราอยูนน่นี่ที่ไหนได้ก็เป็นเทวดาแน่นอนเป็นพระผมความเมตตากุณามุจาเปรา คิดเฉงใดประกอบด้วยเมตตาทำเฉียงได้ประกอบด้วยเมตตาผู้เฉียงใด้ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนมนุษย์อุูคนเดียวก็คิดเมตตาคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เป็นพระพรใหญ่อายุยืนคนมีเมตตาคนนอนหลับไม่ฝันร้ายอย่าพิษก็ทำลายไม่ได้เลยถ้าคนมีเมตตาบา้างเื่ๆละโลกในพระก็สู่สุขติได้ ถ้ามีแต่ความวิชาเบียยงเบนมักจะมีโทษไม่พายนอนก็ฝันร้ายไม่มีความสุขจงสร้างภูมน้ขึ้นมาในชีวิตเราให้ได้น อ, อกจากเราเจริญสติมีสติมีสัมชัสแล้วก็มีส่วนร่วมให้มากๆากลังร่วมเครื่องทุนแรงให้มากขึ้นมีศรัทธามีความเพียรไม่ท้อถอยไม่เห็นจากความยากลาบาก ถ้สิ่งใดเป็นความดีเพี่ยนประกอบสิ่งนั้นอย่าวางโทละน่้จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเช่นมีเมตตากรุณามาเกิดการดีเฉลยบาตก็อย่าเพิกเฉยโดยละงานไม่มีบารมีก็ไม่แจ่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปให้มันเชื่อมแข็งมีสติมีสัมมิจฉามีกลมวดก้นอดทนในความปล่อยความวางสำจุดความเย็น ไม่ด่วนลับไม่ด่วนปริเสธในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะเกิดขึ้นกับคนอื่นชีวิตเราเกี่ยวข้องกับร้อยๆอย่างเป็นวัตถุอันหนึ่งจิตก็เป็นวัตถุอันหนึ่งกายก็เป็นวัตถุอันหนึ่งวัตถุมันก็มีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกันนีผลกระทบแต่ว่าจิตใจนี่ เป็นวัตถุอันหนึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้กระทบได้ถ้าเราฝึกดีเหมือนบราณท่านว่าบัณฑิตผู้ฝึกฝนดุนเลยแล้วเมื่อไปสบทุกเกียนตายก็ไม่ทิ้งทำเรียกว่าบัณฑิตอันนี้คือฝึกตนดีแล้วถ้าไม่ฝึกก็วงอนงาน่ายก่อนเชิ่นเต็มที่เพราะมีเหตุประจัยรา ย, ยาใจมันก็มีอาครตุกะ มาพักมาอาศัยเหมือนกับบ้านเหมืนกับศาลาอาคันตะกะจอนมาเป็นข้างเป็นข่าวความหลงความโกรธความรักของช่ความสุขความทุกข์ความปิติชาควรเปลี่ยนแต่อาคารตะกะมันจอนมาเราก็หลาดบางทีก็ไม่รับได้บทเรียนจากมันได้บทเรียนจากความหลงได้บทเรียนจากความทุกข์ได้บทเรียนจากความโกรธ รู้จั ก, จกเฉลี่ยลาบมาทีไรเราทาลายทุกทีความหลงขวามโกรธควาทุกข์เนี่ยทำลายเราด้วยโกรธคนอื่นก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองเกิดร้อนตัวเองแล้ผัานตัวแล้วไม่มีประโยชน์เลยเราไม่ต้องรับถ้าเรารับไว้มันก็มาเรื่อยโกรธแล้วโกรธอีกเร้่องเก่าออกมาโกรธแล้วออกมาโกรธอีกร้อยภพร้อยชาติถ้าเรามารับออก็ภพเดียว เหมือนพระสกีทาคามีอนาคารีหมายผู้มีพบอันเดียวเมมันหลงแล้วครั้งเดียวไม่หลงอีกเลยมันโกรธครั้งเดียวไม่โกรธอีกเลยมันทุกข์ครั้งเดียวไม่ทุกข์อีกเลยไปได้เลยแต่ปุถุชนนี่หลายพบหลายชาติเอามาเป็นเรื่องโกรธเรื่องทุกข์จนตายก็มีอโอาปวดโกรธตายก็ไม่ลืมพิจาั้นก็มีไม่ลืมจริงจริงบางกฎนี่เป็นวัตถุ มันเกิดขึ้นกับใจเราเราก็ไม่ควรประมาทดูแลรักษาให้ดีไม่ประมาทรักษากายรักษาใจ น, นายทวารบานก็คือสตินี้เป็นนายทวารบานเป็นผู้เฝ้าประตูมาทางใดรู้สึกตัวตางตา ก, ก็รู้จึกตัวทางหูก็รู้สึกตัวโฉกเร่งกายใจรู้สึกตัวเป็นทวารบานเฝ้าประตูก็ปลอดภัยได้ ชีวิตของเราเนี่ยคือปฏิวัติธรรมคือการดูแลรักษาตัวเองให้ดีจากปล่อยปะแล้วเลยหมกมุ่นคุณคิดจนลืมจิตเดิมไปจิตของเรานี้อันเดิมเดิมมันประพัดสอนผองใสยอยู่เสมอมั้นผ้าขาวสะอาดแต่อปุปยิเลฐมันจรมาทําให้เศร้าหมองลอยไปเอาความเศร้าหมองว่าเป็นจิตไม่เช่ เช่นเราโกรธเพรว่าเราโกรธไม่ใช่เราธนาคารทุกะมันจรมาไม่รับมันปเดี๋ยวมันก็หายอย่าด่วนพูดในเวลาโกรธไม่พูดในเวลาโกรธไม่แสดงอะไรออกเวลาโกรธนั้นมีความสงบเสฉยโสมรจับความเฉยมเอาไว้สันติควอดทนเอาไว้ไม่พูดในเวลาโกรธมันก็ไม่มาเรียกว่า ฝึกตนสอนตนก็ไม่ฝึกมันไม่เป็นอ่ะอันนี้อ่ต้องฝึกฝึกให้มันหมดพิษหมดสง่งนู่นะกิตใจเราน่ะกายก็หมืนกันเมื่อมันหมดพิษไปแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วกันต่อโลกอยู่ร่มกว่าแต่ความสงบปลอมเย็นแล้วเจงมาฝึกขัดตัวนี่มันของโชคธรรมที่จุดลอย เกิดไหนมึงก็อยู่กับเรากาอยู่นี่จะอยู่นี้ปติก็อยู่นี้ด้วยวรู้สึกเร้เลือกได้ปะเลื่อนว่าแอบสอนตัวเอเก็บตกบ้างไม่ใช่อยู่ในรูปแบบเสมอไปนั่งยกมือสร้างจังหวะไม่ใช่เสมอไปทํางานทําค้างก็รู้ได้ศึกษาไปที่สุดมันมีถ้าอะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่มีคำพูดอะไรก็พูดว่าไม่เป็นลายไม่เป็นลเอาไม่เป็นไรก่อนไม่เป็นไรยก่อนเขานิยนทาก็ไม่เป็นไรเอาเสริญเสริญก็ไม่เป็นไรได้ก็ไม่เป็นไรเสียก็ไม่เป็นไรอย่าไปเอาเสียมาเป็นเรื่องเสียเอาได้มเป็นเรื่องได้ไม่เป็นไายทำใจเป็นกลางไ้ก่อนไม่เป็นลรตเป็นคำพูดอันสุดท้าย ของปัญหาต่างๆถ้าพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไะจะมีปัญหาแม่ไม่พูดจะคำก็วางใจไม่เป็นไรพูดกับตัวเองคนเดียวคนเดียวไม่เป็นไรทำงานเลยไปกินข้าวเลยไปนอนเลยไปหลับด้วยไปบางทีเพียงแต่คิดเฉยๆก็วางไม่เป็นเลยเอาไว้เช็ดจนนอนไม่หลับเออหัดเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่างนี่ยมันก็จะสบายของยากเป็นของงา่าย อาจารย์พุทธาติว่ายาสามหัวยาสามรากหนึ่งไม่เป็นไรสองช่างหัวมหมันเคยว่าหมัยไม่ขี้่างหัวมันเคยไหมช่างหัวมั น, ม <laughs> มนไม่เป็นเอ <laughs> เป็นยาฝนลงไปกิ้นลงไปเป็นเชนนั่นเองเป็นเชนนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นไรช่างหัวามัน อยาสามหลักอาจารย์พุทธธาตุให้ไวสำหรับยากันเจอเจ็บตายทำในใจให้ได้